กีชั่วโมงนะก็จะขึ้นปีใหม่ก็เป็นธรรมเนียมนะเวลาจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเริ่มต้นเดินทางเริ่มต้นการศึกษาก็เป็นธรรมเนียมนะที่เราจะนิยมอวยพรกันสําหรับเทศกาลขึ้นปีใหม่นะเราก็ มักจะอวยพรขอให้มีโชคมีลาบประสบความสุขความเจริญนะมั่งมีสีสุขนะซึ่งเรียกรวมๆกันก็คือขอให้โชคดีนั่นเองนะคนไทยเรานะนิยมอวยพรขอให้โชคดีก็เป็นคำที่ติดปากพวกเราพูดคำอวยพรแล้วนี่อ่คนไทยกับคนญี่ปุ่นนี่ อวยพรแตกต่างกันนะคนไทยอวยพรขอให้โชคดีแต่คนญี่ปุ่นเขาจะอวยพรด้วยคําว่ากัมบัเตะนะกัมบัเตะแปลว่าขอให้พยายามขอให้เพียรให้สู้ต่อไปอย่าท้อถอยนะความหมายมันแตกต่างกันมากนะโชคดีมันก็เหมือนกับว่ารอให้โชคมาเกิดขึ้นกับเราซึ่งถ้าเราเอ้าจริงเอาจังกับคําอวยพร ก็อาจจะกลายเป็นคนหวังลาบลอยคอยโชคหรือมิฉะนั้นก็ต้องไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันโดนบรรดาลให้เกิดโชคลาภแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยนะสิ่งที่เขาวอวยพรเนี่ยมันเป็นการเน้นเรื่องการทําความเพียรของตัวเองซึ่งก็ตรงกับกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนานะกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยต้องเน้นว่าเนี่ยถ้าอยากได้ดีก็ต้องทําดีนะ อย่ากประสบความสุขความเจริญก็ต้องลงมือทํำด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคําอวยพรของคนญี่ปุ่นนี่มันก็มันก็สอดคล้องแล้วก็ตรงกับคติทางพุทธศาสนาเนอะคนไทยเราอ้างว่าเราเป็นเมืองพุทธนับถือพุทธนะแต่ว่าคําอวยพรของเรานี่มันห่างไกลาจากความเป็นพุทธไม่น้อยเลยคนญี่ปุ่นนี่เขาก็ไม่ได้อวดนะว่าเขาเป็นพุทธแต่ว่าคําอวยพรของเานี่มันมันตรงกับพุทธศาสนามาก พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นความเพียรอย่างที่พระเจ้าตัสว่าเนี่ยบุคคลย่อมร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อเรื่องเทวดาหรือว่าพระเจ้าว่าว่าจะมาดลบรรดาให้เราหายทุกข์หายโศกได้มันก็มีแต่ตัวเรานี่แหละนะการกระทำทางกายวาจาใจนะกายกรรมปรจีกรรมโนกรรมนี่แหละที่จะนาพาเรานะให้ร่วงทุกข์เข้าถึงความสุข ุธศาสนาเนี่ยมีเชื่ออ ย, อย่างหนึ่งว่าวิริยะวาดนะหรือวิริยะวาทะวาทะคือคาสอนนะหมายความว่าเป็นคาสอนที่เน้เรื่องความเพียร น, นะนเรื่องความพยายามนะมีอุปสรรคแล้วก็ไปท้อถอยเวลาเจออุปสรรคก็ไม่ได้หวังโชคว่าจะช่วยทำให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้นะแต่ว่าต้องทำความเพียรด้วยตัวเอง ที่จริงเนี่ยนะพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าโชคไม่มีจริงนะโชคนี่มันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าโชคลนล้วนเนี่ยมันมันไม่มีหรอกนะมันมีแต่โชคที่ต้องอาศัยความเพียรของเราหรือความตั้งใจของเราหรือว่าการกระทาในฝ่ายของเราเนี่ยเข้าไปผสมด้วยนะมันถึงจะเกิดผลไอ้โชคอย่างเดียวโชคลอยอยเนี่ยมันไม่ค่อย จะเกิดผลเท่าไหร่นะคนบางคนเนี่ยเจอโชคนะมาหาแต่ว่าไม่รู้จักฉวยให้เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับว่าโชคหลุดลอยไปเมื่อสักสี่สิปีที่แล้วเนี่ยนะคนสมัยนี้อาจจะคนรุ่นใหม่สมัยนี้อาจจะนึกไม่ถึงนะสี่สิปีที่แล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องใหญ่มากทีเดียวนะต้องใช้ห้องทั้งห้องเนี่ย ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นราคานี้เป็นล้านก็มีแต่โรงพยาบาลมหาวิทยลัยธนาคารนะจึงจะมีคอมพิวเตอร์ได้และการใช้ก็ลำบากมากนะก็คือว่าจะพิมพ์คำสั่งก็ไปเนี่ยก็ต้องเจาะ ก, กระดาษเป็นรูคนที่อายุสักห้าสิบคงจะนึกออกนะสมัยก่อนเนี่ยนะจะพิมพ์คำสั่งเนี่ยหนึ่งแผ่น หนึ่งประโยคนะต่อกระดาษหนึ่งแผ่นต้องเจาะเป็นรูแล้วคําสั่งมันมีกี่ประโยคอะ่ะโอ้มันมีเป็นบางทีเป็นร้อยประโยคนะบางทีเป็นพันประโยคเพราะฉะนั้นคาสั่งเนี่ยมันก็จะหนาเป็นปึกเลยเสเขก็ไปทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วข้อประมวลผลเนี่ยมันก็ออกมาเป็นกระดาษเหมือนกันนะเป็นกระดาษแผ่นยาวๆแต่มันมีคนหนึ่งนะที่เขาเป็นคนฉลาดมาก เขาเกิดความคิดแล้วเขาผลิตได้ด้วยนะคอมพิวเตอร์ที่ขนาดขนาดเล็กน ะ, ะขนาดเล็กๆแล้วก็มีวิธีการประมวลผลวิธีการใส่ข้อมูลที่ง่ายมากคือพิมพิมด้วยแปนพิมด้วยแป้นพิมพ์ดีนะเครื่าคีย์บอร์ดแล้วก็แสดงผลทางจอโทรทัศน์จอก็เล็กๆนะเครื่องก็ขนาดนะถือได้นะฮิวได้ นึกภาพออกนะส ม, นกสมัยนี้คือสมัยนี้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PC ก็มีชายหนุ่มคนนึงนะอายุ20ิกว่าเขาทำงานให้กับบริษัททิวเล็ตเพกกาดฮิวเล็พกกาศเนี่ยมันเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ใหญ่เป็นรับซ้อนจาก IBM ีอผู้ชายคนนี้แกเป็นคนสติเฟื่องฉลาดมากแกก็ผลิตคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มีเครื่องต้นแบบมาเสนอให้เจ้านาย c ี CEO ในบริษัท แต่ซีโกับไม่สนใจนะบอกว่าไอ้คอมพิวเตอร์เล็กๆเนี่ยใครก็จะสนใจนะมันก็เหมือนกับหุ่นยนต์สมัครเล่นนะ่ะมันก็มีแต่คนบางคนเนะ่ยที่สนใจหุ่นยนต์สมัครหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนเล็กๆอ่นนะหรือว่าวิทยุสมัครเล่นอนะ่ะมันก็มีแต่คนไม่กี่คนนะที่จะสนใจวิทยุเครื่องเล็กๆหรือว่าหุ่นยนต์เล็กๆเขาก็เลยไม่สนใจนะไอ้ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็เลยไปหาเพื่อนเพื่อนคนที่ชื่อสตีฟจ็อบ แล้วนั่นแหละคือการเริ่มต้นของบริษัท Apple นะวอสเนียกเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มคนนั้นแหละนะพอบริษัทคิ่เละเพคการนี่ไม่สนใจเขาก็เลยไปร่วมมือกับสตีฟจ็อบเนี่ยตั้งบริษัทขึ้นมาในโรงรถใช้โรงรถเนี่ยเป็นเป็นเป็นสถานผลิต a p p เปิลเขาพัฒนาเป็น a อ p l e ิลสองแอปเลแล้วก็ปรากฏว่าขายดีมากเลยและนี่แหละคือ คือคือจุดกําเนิดของ Apple ซึที่ทำให้ Apple นี่รวยถล่มทลายเลยกลายเป็นบริษัทที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะมีช่วงทั้งสมัยที่ซิฟจอบอยู่เนี่ยมันรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องนี้มันบอกอะไรนะมันบอกว่าโชคเนี่ยมันเข้ามาหาฮิลเล t ตแพคกาดเนี่ยถึงสำนักงานเลยนะมีคนเอาของดีมาให้ฮ w ล e t t p a c k a r d แต่ว่าซ e o ไม่สนใจ ไม่สนใจถ้าถ้าสนใจป่านนี้ก็รวยไม่รู้เรื่องไปละนะอันนี้เรียกว่าโชคเนี่ยเข้ามาหาถึงสํานักงานเลยแต่ว่าซีอีโอเขามองไม่เห็นถ้าเขาใช้ความคิดหรือว่าคิดนอกกรอบสักหน่อยเนี่ยป่า น, นี้ก็ร่ารวยไม่รู้เรื่องตัวซีโอก็คงจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านไปแล้ะแต่ น, นี่เขาก็ไปให้โชคหลุดลอยไปไอนนตัวอย่างนึงใกล้ตัวหน่อยนะ เป็นเรื่องของคนไทยชื่อชื่อสมไทยสมไทยเนี่ยยากจนมากนะอายุ15นี่ก็ต้องออกจากงานออกจากโรงเรียนไปทํางานหาเงินให้พ่อแม่ครอบครัวยากจนมากอที่แรกก็ขายรัตตอรี่ขายหนังสือพิมพ์ขายเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะก็ได้เงินไม่เท่าไหร่นะตอนหลังก็ไปยืมรถกระบะพ่อคันเก่าๆเนี่ยนะเป็นพ่อค้าเร่ ไปขายสินค้าสารพัดอย่างเท่าที่จะนึกออกนะจานชาหม้อไหเสื้อผ้านะหรือว่าเครื่องไฟฟ้าไปตามหมู่บ้านต่างๆนะก็ทำอยู่นานนะเกือบสิบปีนะก็ยังไม่ได้ก็ไม่ได้มีความาจเจริญอะไรเลยนะก็ประเภทว่าหาเชากินขําเวลาไปต่างจังหวัดก็นอนในรถนะ อาบน้ำก็อาบน้ำในปั๊มน้ำมันวันนึงเนี่ยก็ผ่านไปพิสุนุโลกก็เลยไปกราบพระพุทธชินราชแล้วก็ขอขอพร น, นะขอให้ประสบโชคนะจากหลวงพ่อพระพุทธชินราชเสร็จแล้วก็กลับไปทำงานขับรถแต่ก็ขายเะไไม่ค่อยได้มากก็เลยวันนั้นมันแดดร้อนก็เลยนั่งพักพักสักสักครู่ก็เห็นรถซาลิงเดินผ่านนะครับผ่านมา ก็เกิดโฉดคิดขึ้นมาก็เลยคุยกับรถสาเล้งว่าเนี่ยไอ้ขยะเนี่ยนะไปเก็บมาจากไหนแล้วก็เอาไปขายใครและมีรายได้เท่าไหร่ก็พบ ว, ว่ารสซาเล้งเนี่ยรายได้ดีนะสามารถจะส่งลูกไปเรียนมาวทยาลัยได้สมไทยวันนี้ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาเล ย, เยทำไมเราไม่เอาขยะเก็บขยะเนี่ยมาขายบ้างเอาของเก่าเนี่ยมาขาย เขาก็เลยนะหันหันหันเหเนี่ยมาคาขยะค้าของเก่าบอกว่าเ้าเป็นคนมีหัวนะก็กิจการก็เจริญตั้งตัวได้นะออกรถถอยรถ ด, ด้วยรถ ด, ด้วยเงินของตัวเองแล้วจากร้านนะที่มีหนึ่งร้านก็ขยายสาขาเป็นต่อหลังี่ขยายเป็นหลายร้อยสาขานะทั่วประเทศนะอันนี้พูดย่อๆสั้นๆนกลายเป็นมหาเศรษฐี เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นร้านเกตร้านร้านขายขยะหรือร้านซเรียรไซเคิลขยะนะชื่อว่าวงวงพานิดนะไปจังหวัดไหนก็จเจอเจอร้านวงพานิดเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นสาขาของเขาแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีโรงงานรีไซเคิล ข, ขยะทันสมัยที่สุดในเอเชียสมไทยเนี่ยเขาเจอโชคเขาไปขอพระบาทฤษณรัฐนะขอให้ได้มีโชค แล้วเขาก็เห็นโชคผ่านมาเดี๋ยวนั้นในวันนั้นเลยนะไม่กี่ชั่วโมงก็เห็นโชคผ่านมาโชดนั้นมาในรูปซาเล็งแต่ว่าถ้าเขาไม่มีหัวคิดหรือไม่มีสติปัญญานะไอ้โชคนี้ก็จะผ่านหน้าเข้าไปเฉยๆยงั้นแหละแต่ว่าเนื่องจากเขาเนี่ยนะมีหัวคิดพอรถซาเล็งผ่านมาเขาก็เขาก็สามารถจะอะเกิดความคิดขึ้นมาแล้วเขาก็ได้โชคอย่างที่เขาต้องการนะแต่ ไม่ใช่เป็นโชคที่มันจะมาในรูปของอลอตเตอรี่นะถูกลอตเตอรี่สิบล้านยี่สิบล้านอันนั้นเนี่ยมันเป็นโชคที่ไม่ยั่งยืนนะแล้วใครที่เจอโชคแบบนี้ก็บางทีอาจจะซวยก็ได้เพราะว่ามันกายไปทุกขลาภขึ้นมาครอบขุดทะเลเบาแว้งกันมีบางรายก็ขัดแย้งกันเรื่องเรื่องเงินบางทีก็ถูกขู่ฆ่าถึงกับฆ่าตัวตายก็มี อันนั้นมันไม่ใช่โชคที่ที่ที่ประเสริฐนะมันเป็นทุกขรากแต่โชคเนี่ยบางทีมันมาในรูปที่เราคาดไม่ถึงต้องอาศัยสติปัญญาหน่อยเพราะฉนั้นเนี่ยถึงบอกว่าโชคล้นวนเนี่ยมันไม่มีนะมันต้องอาศัยความเพียรพยายามของเราเริ่มแตงแต่การรู้จักคิดรู้จักใช้สติใช้ปัญญาอันนี้แหละนะเพราะนั้นเนี่ยการทําความเพียรนะการใช้ความความสามารถของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญด้วย จะราแต่โชคอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยความสามารถของเราโดยเพราะความเพียรนะเข้าไปประกอบและเป็นตัวการสําคัญด้วยอัจฉริยะเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีความเพียร น, นะก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้นะอย่างไอน์สไตน์เนี่ยเขบอกว่าอัจฉริยะเนี่ยมันช่วยได้หอซอีก9กต้องอาศัยความเพียรพยายามเพราะนั่นเนี่ยนะปีใหม่เนี่ยถ้าเราอยากได้ความสุขความเจริญนะอยากจะ ได้พบกับสิ่งดีๆเนี่ยจะไปรอให้มันมาหาเราไม่ได้นะจะไปทําบุญเก้าวัดนะไปอธิษฐานเทวดาหรือไม่แต่ชูชกนะว่าขอให้ได้ประสบโชคลาบนี้อันนี้มันไม่ใช่วิสัยของคนที่มีสติปัญญาหรือว่าวิสัยของชาวพุทธนะเราต้องลงมือทำนะลงมือทำนะใช้ความรู้ใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามของเรา แต่ว่าคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเพียรพยายามแค่ไหนนะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จไปได้ตลอดนะบางทีก็มีอุปสรรคนะบางทีก็ล้มเหลวเราดูแลสุขภาพดียังไงบางครั้งก็ต้องเจ็บป่วยเราดูแลรถยนต์อย่างไรนะทรัพย์สมบัติดูแลอย่างไรเนี่ยบางทีก็มีคนสามารถจะขโมย ไปจากเราได้หรือว่าเกิด พ, พลาดพลั้งนะธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จนะก็ต้องขายรถหรือบางทีก็ต้องขายบ้านไปอันนี้มันคือความจริงที่เราหนีไม่พ้นนะไม่ใช่ว่าทําความเพียรพยายามแล้วเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไปทุกเรื่องเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยต่างๆมากมายอย่างเช่นเราเพียรพยายามอย่างไรเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจนะ ในประเทศอเมริกาประเทศจีนเนี่ยมันเกิดมีปัญหาเกิดสงครามเนี่ยนะระหว่างอเมริกากับจี น, นสงครามการค้าก็แต่ไม่ใช่สงครามที่ใช้อาวุธเนี่ยธุรกิจเราก็อาจจะต้องอมีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าแม้จะใช้ความเพียรพยายามอย่างไรเนี่ยก็อาจจะเจอเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องธุรกิจอย่างเดียว จ, จะรวมถึงเรื่องของ ชีวิตความเป็นอยู่นะคราวนี้เมื่อมันเกิดขึ้นนะเราควรทำอย่างไรนะอย่างแรกที่เราควรทำาคือว่ารักษาใจให้ปกตินะไม่ว่าของจะหายไม่ว่าจะเจ็บป่วยนะคนที่ฉลาดเนี่ยเมื่อจะเสียเนี่ยก็จะเสียอย่างเดียวนะคือเสียของเสียทรัพย์นะแต่ว่าจะไม่ปล่อยให้ใจเสียไปด้วย เวลาเจอรถติดเนี่ยเสียเวลาแล้วเนี่ยนะคนฉลาดก็จะไม่ยอมให้เสียอย่างอื่นไปด้วยเช่นเสียสติเจ้าเราปล่อยใจหงุดหงิดเนี่ยแสดงว่าเราไม่ฉลาดแล้ว เ, เรากำลังซ้ำเติมตัวเองเวลาเจะป่วยเนี่ยนะก็ให้ป่วยอย่างเดียวนะคือป่วยกายนะอย่าให้ใจป่วยด้วยมันไม่ใช่ว่าพอป่วยกายแล้วเนี่ยมันจะป่วยใจทันทีหรือทุกใจทันทีนะหรือแม้กระทั่งเวลามีของแหลมมาแทงนะที่ตัวเราที่แขนที่ขา มาไม่ได้แปลว่าพอมาสัมผัสตัวเราเกิดความปวดขึ้นมาแล้วใจก็จะปวดตามทันทีนะั้นไม่ใช่เวลามีคนด่าเราเนี่ยเสียงกระทบหูเราไม่ใช่ว่าเราจะทุกข์เราจะโกรธทันทีนะั้นไม่ใช่อาจารยที่ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปาฏิเนี่ยก็จะก็จ ะ, ะก็จะสังเกตนะว่าเวลาผู้เจ้าบอกว่าเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ย มันต้องมีเวทนามีตันหาอุปาทานพบชาติชรามรณากอนะมันถึงจะลงเอยด้วยทุกข์คือโสกปริเทวะทุกขโทมมณัตก่อนเมื่อมีผัสสาเนี่ยก่อนที่จะไปถึงทุกข์เนี่ยนะโสกปริเทวะคือความโศ ค, ความร่ำไรำรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแค้นใจเรียกงง ว, ว่าทุกข์เนี่ยก่อนระหว่างผัสสาเนี่ยแล้วก่อนจะไปถึงเวก่อนจะไปถึงทุกข์เนี่ยนะมันมีต้องหลายขั้นตอนนะ ก็คือเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติซึ่งเรียกรวมๆนะเรียกง่ายๆว่าความปรุงแต่งมันเป็นการปรุงแต่งเช่นมีคนมาด่าเสียงกระทบหูเราเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกว่าเขาด่ากูเขาด่ากูนะมันถึงจะเจ็บปวดในจิตใ จ, จเวลามีของแหลมมาแทงที่ขานะรู้สึกปวดขึ้นมาเนี่ยที่เรียกมาปวดขาก่อน แต่ทันทีที่มีความรู้สึกหรือสําคัญไม่หมายว่ากูปวดกูปวดนี่แหละใจมันถึงจะทุกข์นะมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นนะหรือว่ามีการให้ข่าถ้าเราถ้าเราได้กลิ่นบางกลิ่นเนี่ยทันทีที่เราให้ข้ามันเหม็นเนี่ยเราทุกข์เลยแต่กินเดียวกันบางคนให้ข้าว่ามันหอมนะไม่ทุกข์ฝนระั่งได้กินกะปิเนี่ยเขาให้ข่าปีข้าวามันเหม็นนะเขาทุกข์เขาไม่ เขาไม่อยากได้กลิ่นนะแต่คนไทยพอได้กลิ่นกะปิเออหอมฮนะกินเดียวกันแต่รู้สึกต่างกันเพราะอะไรเพราะตีค่าหรือให้ค่าไม่เหมือนกันตรงนี้แหละเรียกว่ากระบวนการปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากายป่วยมันไม่ใช่ว่าใจจะป่วยทันทีนะเวลาเท้าเจ็บมันไม่ใช่ว่าใจมันจะทุกข์ทันทีนะมันมีอะไรก่อนหน้านั้นขึ้นนะซึ่งตรงนี้แหละนะมันหมายความว่าถ้าเราไม่ไม่ปรุงแต่งไปในทางลบเนี่ย นะมันก็ไม่ทุกและสำหรับชาวพุทธเนี่ยนะการที่เราหมั่นมาดูใจอยู่เสมอเนี่ยเราจะรู้นะเราจะหาทางเนี่ยเราจะมีความสามารถในการป้องกันไม่ให้ใจทุกไดนะ้เวลาเสียของเนี่ยแต่ใจไม่ทุกนะเช่นเสียก็เสียไปแล้วไม่เก็บเอามาคิดถือว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะเวลากายป่วย ที่มันใจทุกข์เพราะอะไรเพราะใจมันอดทนทนไม่ได้ใจมันมีการตีโพยตีพายโวยวายกูปวดกูปว ด, ปวดหรือว่าทำไมถึงต้องเกิดขึ้นกับเราเนเราอุตส่าห์ทำความดีสร้างมูลสรุปสนเราอุตส่าห์ออกกาลังกายกินอาหารชีวจิตนะกินอาหารออร์แกนิกอันนี้แหะคือการปรุงแต่งที่มไปที่มันไปไปซ้ำเติมตัวให้ทุกข์นะแต่ทันทีที่เราน ะ, ะมีสติรู้ใจนะเวลามัน วรอยตีโพยตีพายมีสติรู้ทันนะไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งไปในลักษณะนั้นใจเป็นปกติเนี่ยมันก็ทุกแต่กายนะหรือเสียแต่ของนะเพราะติดจิตก็ไม่ตกนั่นการที่เรามันมีสติดูใจเนี่ยมันจะช่วยได้นะช่วยให้ใจไม่ทุกไม่ว่าแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับเราก็ตาม ที่จริงเนี่ยนะเพียงแค่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ช่วยลดความทุกข์ใจไปได้เยอะไอ้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นจากใจที่มันดิ้นนะใจมันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะยอมรับไม่ได้ตรงนี้แหละที่ทําให้ทุกข์นะมะเร็งไม่ได้ทําให้มะเร็งไม่ได้ทําให้ทุกข์ใจแต่ความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากการที่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ มีผู้เปวยมะเร็งคนหนึ่งนะซึ่งที่แรกเธอก็ทุกข์มากเลยนะกับการที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะซึ่งมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคนอายุมากคนแก่นะเธอเพิ่ง อ, อายุแค่32นะก็มีความทุกข์นะมีความกลัวสารพัดและถึงจุดหนึ่งเนี่ยเธอพบว่าความจริงเนี่ยแม่มันโหดร้ายนะแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะว่า มันเป็นคุกนะที่จะขังจิตใจเราเธอพวกว่าพอยอมรับความจริงนะว่าเออเราเป็นมะเร็งแล้วบนบ ว, วายวีตีโพยิีพายทำไมพอยอมรับได้นี่ใจมันสงบเลยนะมะเร็งยังมีอยู่นะแต่ว่าใจยอมรับได้ใจใจก็สงบนะมันก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ได้ทุกข์มากไอ้การยอมรับไม่ได้นี่แหละนะที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เธอบอกว่า มะเร็งไม่ได้ทําให้รอยยิ้มหายไปแต่ความทุกข์ใจต่างหากที่ทําให้มันหายไปและความทุกข์ใจเกิดจากการที่ยอมรับความจริงไม่ได้ความจริงโหดร้ายก็จริงนะแต่ว่าการไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่านี่เ่อเรายอมรับความจริงได้เนี่ยนะใจมันจะสงบเป็นปกตินะไม่ไม่ซ้ําเติมตัวเองแล้วนะคราวนี้เราสามารถทําได้มากกว่านั้นด้วยซ้ํำนะ เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นนอกจากเราสามารถจะทำใจให้เป็นปกติได้แล้วนะหรือไม่ซ้ำเติมตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะหาประโยชน์จากมันได้หรือว่าใช้ประโยชน์จากมันนะคือนอกจากจะไม่ติดลบแล้วเนี่ยยังอาจจะได้กำไรด้วยนะการที่เราปล่อยให้ใจทุกเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าติดลบนะหรือว่าเสียสองต่อนะแต่พอเราจรใจให้เป็นปกติได้เนี่ย มันก็เรียกว่าเท่าทุนนะไม่ติดลบแต่ว่าเรายังได้กาไรด้วยเป็นบวกด้วยนะถว่ารู้จักหาประโยชน์หรือเห็นประโยชน์จากมันนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากมันได้นะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้หลวงพ่ อ, พอเขียนพูดว่าเนี่ยนักภาวนาเนี่ยก็คือคนที่รู้จักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะการภาวนาถึงที่สุดแล้วคือการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี เปลี่ยนทุกลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงหรือความรู้ตัวใช้ความหลงใช้ความฟุ้งซ่านนี่แหละนันเป็นแบบฝึกหัดที่ทําให้เกิดความรู้ตัวทําให้เกิดสติขึ้นมาอันนี้คนที่ภาวนาเนะจริญสติเนี่ยจะจะเข้าใจนะเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยรวมทั้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายไม่ว่าบวกหรือลบสุขหรือทุกข์เนี่ย มารู้แล้วแต่สามารถจะเพิ่มเติมสติให้มีความเข้มแข็งรวดเร็วฉับไวได้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจนะอารมณ์ต่างๆเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวเราคือเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็สามารถจะเป็นประโยชน์ให้กับเราได้อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันหรือเปล่านะคำต่อว่าด่าทอเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเราได้นะอย่างที่ตมาชอบพูดเสมอนะอนะ่ อดีตเจ้าของมือโบราณคุณเล็กวิริยพันธ์เคยพูดวันเนี่ยวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะคำตาหนิเนี่ยเป็นมงคลนะเพราะว่ามันสามารถจะทําให้เราเห็นสิ่งที่เราควรแก้ไขข้อบอกพร่องนะที่ควรปรับปรุงหรือว่าสามารถจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดอัตราตัวตนไม่ให้หลงเพราะว่าคนที่ร่ํารวยคนที่ประสบความสําเร็จก็มักจะมีความหลงตัวลืมตนบางทีก็น่าเป็นเทวดาถ้าโดนตําหนิติดเตียนบ้างนะ ถูกหรือผิดก็แล้วแต่นะแต่มันก็ช่วยลดอัตราได้สมัยที่หลวงปู่ขาวยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยวัดทำกองเพลนมีแม่ชีคนหนึ่งนะชื่อแม่ชีสาเป็นแม่ชีที่อุปถักรพระเนนดีมากเระยังมีเวลาปฏิบัติธรรมนะอาจจะใช้เวลาปอุปถักรอาจจะโชว์อกาศตอนอุปถักรพระเนร น, นี่แหละนะเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวก็ได้หลวงปู่ขาวก็ชมนะแต่วันหนึ่งหลวงปู่ขาวก็สั่งให้พระสองรูปเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ย ไปดูดานะ่าแม่ชีสาพระสอรูปนี้ก็งงนะว่าไปด่าทําไมพระแม่ชีสาก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่ครูบาอาจารย์สามก็ต้องไปไปที่กุฏิแม่ชีสาก็ด่าเลยนะสรรหาคหั้นต่างๆมาดา่าแม่ชีสาแม่ชีสาทีแรกก็งงนะแต่ตอนหลังก็ตั้งสติได้ก็พนมมือฟังพระสงรูปนี้ดา่าจนมู้จะดายัางไงแล้วก็หยุดนะ นมชีสาแทนที่จะโกรธหรือน้อยใจยว่าทําไมครูบาอาจารย์มาว่าเราเราอุตส่าห์ทำนะอุปถัมภ์ดูแลพระเดนทําไมครูบาอาจารย์ถึงพูดกับเราอย่างนี้นะแล้วเกิดคนเขารู้ว่าเราถูกครูบาอาจารย์ด่าเนี่ยจะหน้าไปโชคไว้ที่ไหนนะแม่ชีสาไม่ได้ไม่มีไ ม, ไม่ไม่มีการคิดแบบนี้เลยถ้าคิดแบบนี้ก็เรียกปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งนะซึ่งก็ทําให้ทุกข์แต่แม่ชีสาไม่ปรุงแต่งอย่างนั้น ในสากับพูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านอาจารย์ดูดา่าดิชันเสร็จแล้วเหรอดิชันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินนะเสียงด่านี่มนันเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยเขาหน้าก็นิมนต์มาดูด่าบ่อยๆนะนะกิเลสมันจะได้หมดสักทีนะนะสำหรับบางคนเนี่ยคำดูด่าเนี่ยมันทําให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดความโกรธนะเป็นความซวยเป็นเคราะห์แต่สำหรับชีสานี่คำดูด่าเนี่ยก็คืออุปกรณ์สอนธรรมนะ ที่จะช่วยขูดกิเลสนะช่วยลดละอัตตาเนี่ยก็คือนะคือตัวอย่างการรู้จักใช้นะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นอนิจฐารมนะอนิจฐานลมก็คือรูป ล, ลบกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือว่าโลกธรรมฝ่ายล บ, ก, ลบก็คือเสื่อมราบเสื่อมยศหรือว่าถูกนิทราของหายเนี่ยนะแทนที่จะคล่ำครวญซ้าเติมตัวเอง ก็ลองพิจารณาดรสักว่าเออมันกำลังบอกอะไรเรานะมันกำลังเตือนให้เรารู้จักระมัดระวังนะมันกำลังสอนนะให้เราเนี่ยนะไม่ประมาทหรือสามารถจะสอนทำอธิฤกษ์ซึ่งไปกว่านั้นก็ได้นะก็คือสอนว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแม้เราจะดูแลมันดีเพียงไรเนี่ยมันก็ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ต้องจากเราไปนะ เหมือนกับที่คนหนึ่งที่เขาเจอน้ําท่วมปีห้าสี่แต่เขาก็ไม่เสียใจเพราะเขาบอกว่าเนี่ยน้ำท่วมมันสอนให้เขาเห็นเลยวนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างก็ประโยูเราเพียงแค่ชั่วคราวจะมองว่าอันนี้เป็นแบบฝึกหัดก็ได้ให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่าอนาคตวันหน้าเราจะเสียมากกว่า น, นี้วันนี้เสียแค่โทรศัพท์หรือเสียรถนะวันหน้าเนี่ยจะต้องเสียมากกว่า น, นี้แล้ววันนันต้องมาจริงๆด้วยนะ ถ้าไม่มาตอนที่เรายังมีปกติสุขอยู่ก็จะมาตอนที่เราตายเนี่ยพอตายเนี่ยมีอะไรก็สูญหมดนะกลายเป็นของคนอื่นไปหมดนอันนี้อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นเครื่องเตือนว่าเนี่ยว่าต่อไปเราจะเจอหนักกว่า น, นี้นะตอนนี้เนี่ยต้องรู้จักทำใจนะเพราะถ้าไม่ทำใจปล่อยวางเนี่ยวันหน้าจะทุกข์มากกว่า น, นี้หรือมาเป็นเครื่องเตือนใจแล้วว่าถ้าวันนี้เราแค่นี้ะไรทำใจไม่ได้ ถึงเวลาที่เราเจอหนักกว่า น, นี้นะต้องเสียต้องเสียมากกว่า น, นี้หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตคือตายนะเราจะทำใจได้อย่างไรลองคิดแบบนี้บ้างนะมันจะไดเ้เป็นแบบฝึกหัดนะพัฒนาจิตใจของเราเหตุร้าอย่างอื่นก็เหมือนกันนะความเจ็บป่วยนะของคนรักเวลามีคนรักเนะี่ยเช่นพ่อแม่เจ็บป่วยเนะี่ยบางคนก็ร่มอกกุ้มใจมากนะ แต่มีคนนึงเนี่ยมีเพื่อนคนนึ่งนะแกพูดไว้น่าสนใจมากก็บอกว่าเนี่ยใ้ช่วงที่แม่เจ็บป่วยก่อนตายเนี่ยซึ่งก็ทิ้งก็ใช้เวลาเป็นปีนะพ่อมะเร็งเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพ่อแม่ให้กับแม่มันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากนะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดนะนับตั้งแต่ได้ได้เป็นลูกของแม่เพราะว่า เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ดูแลแม่พาแม่ไปโรงพยาบาลหาอาหารให้แม่ปรุงอาหารให้แม่แล้วก็ได้ได้คุยกับแม่บอกรักแม่ทุกคืนได้กอดแม่ทุกคืนตอนที่แม่ป่วยไม่เคยตอนที่แม่ไม่ป่วยเนี่ยไม่เคยทำอย่างนี้เลยแต่พอแม่ป่วยเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกันก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะนะ เมื่อเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนนั่นนั้นมันไม่ได้แปลว่าพอคนรักของเราป่วยเนี่ยมันคือความสวยเราสามารถจะเปลี่ยนให้มันเป็นโอกาสดีๆนะที่จะได้มีความสุขร่วมกันก็ได้บางคนเสียลูกนะลูกอายุแค่สิบห้าก็เสียเสียใจนะแต่สุดท้ายเนี่ยมีเพื่อนแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเขาได้ไปปฏิบัติธรรมเขาก็ได้พบนะ ความสงบนะได้เข้าใจชีวิตด้วยแล้วก็ได้พบความสงบจากการภาวนาเป็นความสงบที่เขาไม่เคยประสบมาก่อนนะก็กลายเป็นว่ามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นถึงกับขอบคุณนะขอบคุณความตายของลูกนะที่ทําให้แม่ได้พบชีวิตใหม่นะคือช่วยทีนะ่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจถึงกับพูดว่าเนี่ยความตายของลูกเป็นสิ่งคุ้มค่ามากนะเพราะทําให้แม่ได้มาพบธรรมะ น, นี่ก็เป็นตัวอย่างคนที่รู้จักใช้ประโยชน์นะใช้ประโยชน์จากความทุกข์หรือว่าเหตุร้ายเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันกระทําย่ยํายีจนกระทั่งเราจะเป็นจะตายให้ได้หรือว่ากลุ่มอกกุ้มใจจนไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่นะคนฉลาดเนี่ยก็ต้องรู้จักนะใช้มันให้เป็นประโยชน์ในทางที่จะส่งเสริมธรรมะส่งเสริมสติปัญญาให้ให้มากขึ้น ทุกอย่างเนี่ยรวมทั้งความทุกเนี่ยนะมันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักมองนะหรือว่ารู้จักใช้มันในคราวทุกอย่างเนี่ยมันมีโชคอยู่เสมอนะถ้าเรามองเป็นมีเพียงคนหนึ่งเยอะไม่ถึงสามสิบนะทำงานที่แถวสีลมวันหนึ่งก็เลิกค่ำนะไปส่งรุ่นพี่ต้องเดินผ่านซอย ซอยนี่มันมันมืดสักหน่อยนะขากระปเนี่ยเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมามาดึงเอากระเป๋าของเธอไปแต่เธอเนี่ยพาดกระเป๋าแบบเฉียงะนะไม่ได้ไม่ได้สะพายที่ไหล่นะพาดพาดข้ามพลาดขวางลำตัวเนี่ยพอมิจฉาชีคนนั้นเนี่ยดึงกระเป๋ามันก็ดึงเธอให้เสียหลักหัวไปกระแทกกับพื้นนะไม่ใช่แค่สรบอย่างเดียวนะ มันเลือดเลือดออกเลยนะเส้นมันกร ะ, ะโหลกล้าวเลยนะกระโหลกล้าวมีเลือดออกในสมองแต่แม้กันนั้นเธอก็บอกว่าเธอโชคดีนะเธอก็บอกว่าเนี่ยโชคดีนะที่ติดป้ายนะติดป้ายบริษัทติดป้ายพนักงานก็ทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยคือยามเนี่ยเขารู้ว่าเธอทำงานที่บริษัทไหนแล้วก็สามารถจะรู้ต่อไปเนี่ยว่า มีประการสังคมที่โรงพยาบาลไหนก็พาส่งโรงพยาบาลเกระแสรมารดาได้ได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันก็โชคดีที่ยางวันนี้เนี่ยเขารั่วทํางานบริสัทเนี่ก็ไปบอกเจ้านายของของเธอพร้อมทั้งเอาโทรศัพท์ของเธอเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ติดไปกับกระเป๋าเนี่ยไปให้เจ้านายเจ้านายนี่พอรู้ว่าลูกน้องอ่ะประสบเหตุก็รีบไปโรงพยาบาลทันทีนั่นก็เป็นโชคอีกประการหนึ่งขณะเดียวกัน พ่อแม่ซึ่งรอลูกสาวรอจนถึงสี่ทุ่มไม่รู้ว่าทำไมลูกสาวไม่กลับมามีความกลุ่มอกกุ้มใจก็เลยโทรศัพท์ไปก็พอดีนะเจ้านายรับก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกสาวกาลังอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีแล้วเธอก็บอกโชคดีนะที่ได้หมอหนุ่มหมอหนุ่มใจดีฝีมือหมอหมอหล่อใจหมอหล่อฝีมือดีนะ ขนาดทางานโรงพยาบาลภูมิพลนะแต่ว่าอุตส่าห์มาที่เกษมราชมาผ่าทั้งที่ญาติก็ไม่แสดงตัวนะแต่ว่าหมอนี่ก็ตัดสินใจผ่าสมองเลยทั้งที่รู้ว่าถ้าญาติไม่มาจ่ายเงินนะเขาต้องรับ <c oughs> ต้องรับผาละเองแต่ก็กล้านะกล้าตัดสินใจผ่าแล้วก็เป็นมือดีด้วยเธอก็บอกว่าเนเธอโชคดีนะหลังจากที่อรอดชีวิตมาได้เนี่ย ก็มีได้เห็นความรักของเพื่อนโอเพื่อนฝูงนี่มาเยี่ยมเยอะแยะเลยนะตัวบ่อโชคดีอีกอย่างนึงคือแต่ก่อนนี่ไม่เคยได้กินรังนกได้กินซุปไก่เลยแต่ตอนป่วยนี่โอ้โหมีกินทุกวันเลยนะสามเดือนยังไม่หมดเลยโชคดีนะว่าได้กลับมาเป็นคนหนูนะให้พ่อแม่มาดูแลตัวบ่อตอนวิทย์16เนี่ยไปมันมาเรียนต่อที่กรุงเทพก็ไม่เคยได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่เลย ตอนนี้นี่กลายเป็นคนหนูนะให้พ่อแม่มาดูแลนะได้กอดนะซึ่งกันและกันเหมือนเมื่อก่อนโอ้ยเธอพัฒนาโชคหลายอย่างนะเช่นว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่เหงาเลยนะโชคดีที่ได้พัก ง, งานแล้วก็ไม่เหงาโดยมีเพื่อนมาเยี่ยมตลอดเวลาโชคดีที่ว่าสามารถที่จะทำอะไรได้นะได้พัฒนาทักษะทำสติกเกอร์นะได้ ฝึกการวาดรูปนะในคอมพิวเตอร์ก็ทำให้มีสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นรายได้อีกแบบหนึ่งแต่ว่าโชคดีนะคนที่เจอเหตุการณ์แบบเธอเนี่ยถ้าไม่ตายนะก็เป็นเจออ้ิงนิทราหรือไม่กระพิการแต่เธอโชคดีไม่เป็นทั้งสาอย่างนะก็คือว่าสามารถที่จ ะ, ะกลับมาเป็นขดปกติได้นะหลังจากที่ทากายภาพบาแบบไม่กี่ไม่กี่เดือนก็ใช้ชีวติตได้ตามปกติ เธอบอกว่าเนี่ยโชคดีนะที่ว่าไอ้ความเจ็บปวดของเธอเนี่ยรอบนี้เนี่ยมันไม่นานนะเธอรู้สึกปวดแค่วันเดียวนะ mm. แล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็ไม่ก็จำอะไรไม่ได้นะ mm. ก็เลยไม่มีความทุกข์ที่จริงถ้าเธอวางใจไม่เป็นนะ mm. ไปคิดตีโพยตีพา ย, พ ย, พยว่าทำไมฉันซวยแบบนี้นะฉันทำอะไรน ะ, นะไปคิดถึงเหตุการณ์ในอดีต mm. ก็คงจะทุกข์มากเลยแต่ว่าเธอไม่มี ความคิดแบบนั้นนะปล่อยวางได้เธอก็แจกแจงนะว่าโชคดีเนี่ยนะกี่อย่างรวนะมแล้วสิบห้าอย่างนี่คนที่เกือบตายนะจากการที่ถูกมิจฉาชีพเนี่ยนะมาดึงกระเป๋าไปแต่เธอก็สามารถจะเห็นโชคในเคราะห์ได้พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีสติย่อมโชคดีทุกเมื่อ ใครที่ฟังพุทธภาษิตนี้แล้วไม่เข้าใจเนี่ยที่ตัวอย่างที่พราอาตมาพูดมาเนี่ยก็คงจะเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าเรามีสติเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยแม้จะเป็นเหตุร้ายเนี่ยเราก็สามารถจะมองเห็นข้อดีหรือเปลี่ยนให้มันกลายเป็นกลายเป็นโชคได้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีสามารถจะใช้เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องอสอนธรรมนะให้เกิดปัญญามากขึ้นอันนี้แหละคือ สิ่งที่อยากจะแนะนำพวกเรานะว่าในเมื่อเราอยากจะให้ปีหน้าเนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยนะให้ลองร ะ, ะลึกอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรานะเองนะหรือว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราทุกเมื่ออาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเพราะนี่มันเป็นธรรมดาโลก แต่ถ้าเกิดว่าเรานะรู้นะรู้จักรักษาใจไม่ให้ทุกเวลาเกิดเหตุร้ายเหล่านี้แล้วก็ตั้งสติได้สามารถจะใช้ปัญญาคร่ครวนสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุร้ายไปแล้วก็ก็จะกลายเป็นของดีนะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นสุขได้ขอให้เราลึกว่าเจออะไรก็ไม่สำคัญแต่ก็ว่าใจเราเป็นอย่างไรนะเจอร้ายนะแต่ใจเราเนี่มีสติมีปัญญา มันก็กลายเป็นดีได้และปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ดีของเราก็าเพราะเหตุนี้เป็นสำคัญไม่ใช่เพราะว่ามีโชคนะทำให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนทุกเหตุการณ์ให้กลายเป็นดีได้สามารถจะเป็นสิ่งที่สอนทำสร้างปัญญายกับเราก็หวังว่านะจะลองพวกเราเนี่ยจะลอง เ, เอา เอาสิ่งที่พูดเนี่ยลองไปทดลองใช้ดูนะเลียง น, น้อยก็ให้เราลึกถึงคำที่พระเจ้าตรัสนะว่าผู้มีสติยอมโชคดีทุกเมื่อถ้าเราอยากจะให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่เราประสบโชคนะก็ขอให้มีสติอยู่เสมอคำนี้กเพื่อท่านนี้นะครับพรบ